าวแล้วอาุสลมันเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมกายหรือว่านั่งนึกนั่งคิดไปเรื่อยๆคิดด้วยอำนาจจิตที่เป็นอาุสลโลภะโทสะโมหะอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่สำรวมใจแต่หากว่าผู้ใดผู้หนึ่งคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง6เหล่านั้นคุ้มครองก็คื อ, อรักษาใจไม่ให้เป็นบาปในขณะที่เห็นได้ยินรู้กลิ่น รับรูร้รสรับกระทบเย็นรอน้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นต้นเนี่ยนะพันสภาพจิตก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลเนี่ยน ะ, ะพระองค์ตรัสต่อไปว่าผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหเหล่านั้นรู้แจ้งอินทรีย์แล้วเนี่ยนะคำว่ารู้แจ้งอินทรีย์นี่ก็คือรู้แจ้งอินทรีย์ทั้งหด้วยยาตะปริญญาเนี่ยนะ รู้คือวิจัยตาด้วยปริญญานั่นเองยาตาปริญญาก็คือรู้ตาพร้อมทั้งปัดใจนี่นะรู้หูพร้อมทั้งปัดใจรู้จมูกพร้อมทั้งปัดใจรู้ลิ้นพร้อมทั้งปัดใจรู้กายพร้อมทั้งปัดใจรู้ใจพร้อมทั้งปัดใจรู้ตาพร้อมทั้งปัดใจนี่รู้ยังไง ร, รู้ว่าตานี่เกิดจาก ตาที่เกิดจากอะไรตานี้เป็นความใสของรูปที่สามารถเห็นได้มีอะไรเป็นปัจจัยมีมหาภูตรูปตรงนั้นแหละเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยใกล้กลเขามหาภูตรูปนั้นเกิดจากกรรมกรรมอะไรที่ทําให้มีมหาภูตรูปแล้วมองเห็นได้กรรมอะไรกรรมที่ทําแล้วปรารถนาตาหรือกรรมที่มีตัณหาที่ยินดีในสีเป็น สมุทานถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ายินดีในสีก็แปลว่าทำเหตุให้เกิดตาถ้ายินดีในเสียงก็ยินดีเหตุให้มีหูถ้ายินดีในกลิ่นก็เท่ากับยินดีจมูกถ้ายินดีในรสเท่ากับต้องการลิ้นใหม่ถ้ายินดีเย็นร้อนอ่อนแข็งเตึงไหวพวกนี้ก็เท่ากับยินดีกายยินดีธรรมรมณ์ก็แสดงว่ายินดีใจนี่นะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากตัณหาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นธรรมชาติที่เป็นผลของตัณหานั่นเองแต่เป็นตัณหาในการก่อ น, อนผู้ที่รู้อินทรีย์ทั้ง6พร้อมทั้งสมุทฐานเรียกว่ายาตะปริญญาพึงประพฤตให้ปรากฏอธิบายว่าพึงมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการกําหนดนามรูป แห่งบุคคลผู้มีศีลอันบริสุทธิ์แล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลดีแล้วก็ใคร่ครวญถึงธรรมะเหล่านี้ตั้งอยู่ในธรรมะนะธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะก็คือธรรมะคืออริยสัจสี่อันบรรลุแล้วด้วยอนาคามิมัชเนี่ยนะรู้แจ้งอินทรีย์ด้วยปริญญาสามเหมืนเถอะเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยปริญญาสาม ตั้งอยู่ในธรรมะคืออริยสัจสี่ยินดีในความเป็นคนตรงและเป็นคนอ่อนโยนนะล่วงธรรมะเครื่องข้องเสียได้ละทุกทั้งหมดผู้นั้นเป็นนักปราดไม่ติดอยู่ในธรรมะที่เห็นแล้วและฟังแล้วนะนะคือสรุปแล้วข้อปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเฉพาะประมาณ 3-4 สีบ่บรรทัดนั้น ท่านอธิบายถึงการเจริญกุศลธรรมนั่นเองการเจริญกุศลธรรมจนรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็ละบาปละอกุศลได้ทั้งหมดถ้าหากว่าละบาปละอกุศลได้ทั้งหมดก็ไม่ติดข้องในธรรมะทั้งปวงเหมือนใบบัวนี่นะใบบัวที่เกลี้ยงเกลี้ยงจะไม่ติดในน้ําถ้าหากว่าเป็นนักปราดแทงตลอดอริยสัจแล้วจะไม่ติดในอารมณ์ที่เห็น จะไม่ติดในเสียงที่ได้ฟังจะไม่ยึดติดในอารมณ์ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะที่ท่านไม่ติดเพราะท่านปริญญาสามในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะธรรมรมเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะถามว่าถ้าหากว่ายึดติดเพลิดเพลินในรูปเสียงเนี่ยนะดีไหมไม่ดีนะถามว่ามีโทษไหมพระองค์บอกว่าอะไรที่เป็นที่รักที่ชอบใจนะ ถ้าบุคคลเข้าไปเพลิดเพลินมีผลไหมผลของสิ่งนั้นก็คือความเศร้าโศกเสียใจในภายหลังเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปลุนไปสมมุติถ้าหากว่าเราเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ใดมากถ้าอารมณ์นั้นวิบัติถ้าเพลิดเพลินเท่าไหร่ก็จะเสียใจเท่านั้นเพลิดเพลินน้อยเสียใจน้อยถ้ายิ่งต้องการมากยิ่งเสียใจมากเมื่อสิ่งนั้นแปรไปเนี่ยนะ แล้วอะไรบ้างในโลกนี้ที่จะไม่แปรเปลี่ยนถ้าเรายินดีในสิ่งที่แปรเปลี่ยนเท่ากับเรายินดีความเสียใจต่อไปใช่ไหมถ้าเรายินดีกับสิ่งไม่ได้ยกตัวอย่างนะถ้าเรายินดีในบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นเขามั่นคงเสมอไหมไม่เสมอถ้าเขาเปลี่ยนไปเขาพาใจเราเสียไปด้วยเนังนั้นะถ้าเราไปสร้างความหวังกับอารมณ์ใดๆมากๆ อารมณ์นั้นแหละจะก่อความเจ็บช้ำน้ําใจให้แก่เรามากเพรา ะ, ะนั้นการเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายจึงมีโทษแต่ว่าทําอย่างไรจะได้ไม่เพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นใครขร ว, วิจัยอารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงโดยสัจจะสี่อยางนั้นไดะสงเคราะห์ อ, อริยสัต์ลงในทุกอารมณ์เลยเนอะดีไหมดีแต่ถ้าทํายาก ต่ยังไม่ได้ทำนี่แต่ทำก็น่าจะพอได้มากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะให้คนปฏิบัตินะแถ้าหากว่าเรามีการใคร้ครวนเนี่ยนะเอาไปใคร้ครวนไปพิจารณาทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างนะท่านคนที่มีลูกเนี่ยน ะ, ะลูกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจมากถามว่าทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะเรารักลูกมากถ้าลูกนั้นวิบัติโอ้โหเราก็เสียมากเหมือนกันเนย อะไรก็ตามถ้าเรารักมากสิ่งนั้นจ่ายแพงเห่งนั้นเถอะจ่ายด้วยสภาพจิต ท, ที่สูญเสียมีไหมที่ว่าโอ้ยชอบสิ่งนี้มากแต่สิ่งนี้เสียไปแล้วไม่เสียใจเลยมีไหมไม่มีหรอกอันพระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีรูปอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกโทมณตและอุปาญาตเมื่อรูปเหล่านั้นแปลไป รูปเรานั้นแปรไปเพราะอะไรเพราะใจเขาแปรไปบ้างอย่างหนึ่งเห็นไนคนที่เราเนึกว่าเออแจ๋วแล้วนะบางทีใจเขาก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกคือธรรมชาติของจิตเป็นยังไง ร, รู้ไหมธรรมชาติของจิตนี้ก็คือว่ารับหนึ่งอารมณ์มันคิดหนึ่งหนึ่งเรื่องเอางี้ดีกว่ารับหนึ่งอารมณ์นะคิดหนึ่งเรื่องรับสองอารมณ์คิดสองเรื่องถ้ารับทางตาก็คิดเรื่องทางตา ถ้าได้ยินก็คิดทั้งเรื่องที่ได้ยินถ้าได้กลิ่นก็คิดเรื่องที่ได้กลิ่นถ้ารับรู้รสก็คิดเรื่องรสถ้ารับกระทบทางกายก็รับคิดถึงเรื่องที่รับกระทบทางกายท่านนึกคิดเรื่องทั่วไปก็จะรับรู้เรื่องทั่วไปคิดหนึ่งอย่าหนึ่งอารมณ์เท่ากับหนึ่งสมมติหนึ่งความคิดนะสมมติดูตัวยกตัวอย่างนะเราเห็นพรมน้ำมันเนี่ยนะเสือน้ามันเนี่ยเห็นหนึ่งลายให้หนึ่งความคิดถ้าดูสิบลายก็สิบความคิดนะนะ พูดสรุปสรุปถ้าหากว่าเห็นหลายๆ ล, ลายเนี่ยก็หลายๆความคิดดูเสื้อลายก็เหมือนกันนะลายแบบนี้ให้หนึ่งความคิดดูสองลายก็เท่ากับสองความคิดหรือใบไม้เนี่ยดูหนึ่งใบก็หนึ่งความคิดดูสิบใบก็สิบความคิดถ้าดูแสนใบก็แสนความคิดแล้ววันนี้เราเห็นใบไม้กี่ใบอะแล้วความคิดเรากี่ความคิดไปแล้วเชื่อได้พี่ไหนความคิด ใช่ไหมได้หนึ่งอารมณ์ก็คิดอย่างหนึ่งได้10อารมณ์ก็คิด10อย่างได้แสนอารมณ์ก็คิดแสนอย่างถ้ามีลูกสิบคนก็คิดสิเรื่องอะ่ะเช่อเหรออย่า น, นีมี2ก็คิด2มี3าก็คิด3ามอนคนที่เรารู้จักถ้ามีรู้จักร้อยคนเราก็คิดร้อยเรื่องรู้จักแสนคนก็คิดแสนเรื่องเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นไปอยู่ในลักษณะนี้ความคิดก็หลากหลายไปตามอารมณ์ คำว่าจิตนี่มาจากคําว่าวิจิตวิจิตคือมันหลากหลายนั่นเองหลากหลายจิตทางตาบ้างจิตจิตรับอารมณ์ทางหูบ้างจิตรับอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้างจิตรับอารมณ์ทางใจบ้างอย่างเงี้ยจิตรับทางตาก็อย่างหนึ่งจิตที่ได้ยินทางหูก็อย่างหนึ่งจิตที่รับทางจมูกก็อย่างหนึ่งจิตที่รับทาง ลิ้นก็อย่างหนึ่งจิตที่รับทางกายก็อย่างหนึ่งจิตที่รับทางใจก็อย่างหนึ่งจิตที่รับทางลิ้นเนี่ยนะจิตรับเปรี้ยวก็อย่างหนึ่งจิตรับเค็มก็อย่างหนึ่งจิตรับหวานก็อย่างหนึ่งจิตรับขมก็อย่างหนึ่งจิตที่รับเผ็ดก็อย่างหนึ่งคนละเรื่องอีกเหมือนกันวันความคิดเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยโหมันมากมายมหาศาลแต่ความคิดเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นกุศลบางอย่างก็เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นอัพยกตะ ที่เป็นกุศลเพราะไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขที่เป็นอกุศลเพราะไม่มีโทษและให้ผลเป็นความอ่ะอกุศลก็มีโทษอยเนาะอกุศลก็มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราคิดอะไรบ้างนะคิดแต่ว่าคิดแล้วก็หมดไปแต่กรรมก็ทำไปแล้วอะเจตนาที่เกิดร่วมกับกรรมก็ทำไปแล้วคิดก็คิดไปอย่างงี้นะ กรรมก็ทําไปคิดไปทํากรรมไปคิดไปทํากรรมไปเพราะฉะนั้นใครจะชดใช้กรรมให้หมดนี่อย่าหวังเลยเดี๋ยนะไม่มีใช้กรรมหมดหรอกถามมาทําไมอ่ะก็ทํากรรมอยู่ทุกความคิดนั่นแหละใช่ไหมผลของกรรมเนี่ยทวิปัญจะนะถ้าผู้ที่เรียนอภิธรรมมาจากขวิญ ญ, ญาณโซตากานาะชิวหากายะวิญญาณเนี่ยสิบดวงแล้วนะถ้ารับอารมณ์ที่ดีและไม่ดีสัมปติช น, นะสันติรณะนะชาวนะทํากรรมใหม่หมดเลยเดี๋ยนะ อกุศลก็ทำกรรมใหม่มหากุศลก็ทำกรรมใหม่เพราะฉะนั้นใช้กรรมใช้ไม่หมดเพราะทำกรรมอยู่ตลอดอนะเมื่อทำกรรมอยู่อย่างนี้สังสารวัตจึงไม่มีที่สิ้นสุดแต่บุคคลผู้ไข้ครวรธรรมะเหล่านี้โดยตลอดสายพี่เรณาเห็นความจริงเหล่านี้ตลอดสายโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นของที่ไม่มีสาระแก่นสารแล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนับ จากสิ่งเหล่านี้คนเหล่านั้นจึงจะพ้นจากวัตฏทุกข์ได้ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ทรงแสดงแล้วก็ประกาศอริยสัจให้ติดสะพราหมณ์ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกความนี้บ่อยๆด้วยประการชนี้ติดสะดาบทผู้ถึงฝั่งแห่งมนต์ได้ทราบความข้อนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมุนีทรงประกาศด้วยพระคาถาทั้งหลาย อันวิจิตว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีกลิ่นดิบผู้อันตันหาและทิฐิ BB ไม่อาศัยแล้วตามรู้ได้ยากเนี่ยนะผู้ไม่มีกลิ่นดิบก็คือผู้ที่เห็นแล้วโลภะโทสะโมหะไม่เกิดได้ยินแล้วโทโลภะโทสะโมหะไม่เกิดรับรู้กลิ่นแล้วโลภะโทสะโมหะไม่เกิดรับรู้รสแล้วโลภะโทสะโมหะไม่เกิดนึกคิดไม่ได้คิดนึกด้วยโลภะโทสะและโมหะตันหาและทิฐิ คือตัณหาไม่เพลิดเพลินอารมณ์ทิฏฐิไม่เห็นผิดในอารมณ์ไม่เข้าใจผิดในอารมณ์อันตัณหาและทิฏฐิไม่มีแล้วบุคคลเหล่านี้ตามรู้ได้ยากติดสะดาบทฟังสุภาษิตซึ่งไม่มีกลิ่นดิบอันเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกทั้งปวงของพระพุทธเจ้าแล้วมีใจนอบน้อมถวายบังคมพระบาทของพระตถาคตได้ทูลแต่บาปอาณที่นั้นแล น, นแสดงว่าท่านก็เรียนนิพรามมาแล้วบวช น, น, นะขอบวชก็อบอกว่าโดยเวลาสองสามวันท่านก็เป็นแต่จิอารหันถึงบริโภคเนื้อหรือบริโภคผักก็ตามถือถ้าบริโภคแล้วไม่พิจารณาเนี่ยนะก็มีโทษทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าบริโภคอาหารที่ ไม่มีเนื้อเลยบริโภคด้วยโลภะก็บาปบริโภคอาหารที่มีเนื้อแต่บวบบริโภคด้วยโลภะก็บาปเหมือนกันไอ้ที่บาปไม่ใช่บาปเพราะเนื้อหรือบาปเพราะผักแต่บาปเพราะจิตที่เป็นโลภะเพราะว่าอาหารในจานเนี่ยนะองค์ทำได้แก่อะไรเรียนอภิธรรมมาแล้ววินิพกครูแปดเท่านั้นเองนะ แต่จิตที่รู้ว่าวิญิพงคเขารู้แปดนั่นแหละจิตชนิดใดถ้าเป็นอากุศลอกุศลเกิดกับใครก็บาปทั้งนั้นแหละพระฉันด้วยโลภะพระก็บาปโยมบริโภคด้วยโลภะโยมก็บาปเห็นไหมทานอะไรก็ช่างเถอะถ้าทานด้วยอำนาจอากุศลบาปเหมือนกันฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดพระผู้มีพระภาคสอนให้พิจารณาเวลาบริโภคพิจารณาโดยแยกคาย คือถ้าให้เห็นโทษของการไม่พิจารณาแล้วก็ให้เห็นอนิสงของการพิจารณาว่าพิจารณาแล้วมีอนิสงอย่างไรไม่พิจารณานั้นมีโทษอย่างไรใช่อาหารนี้ก็พิจารณาว่ายอย่างไรพิจารณาว่าเราพิจารณาโดยแยบคายเพราะแล้วจึงบริโภคอาหารบินทบาทเหล่านี้อาหารเหล่านี้เนี่ยนะที่เราบริโภคไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน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 และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เราอย่างนี้แล้วก็พระองค์ก็ให้เปรียบเทียบอุปมาว่าอาหารที่เราบริโภคไปนั้นก็เหมือนกับเนื้อบุตรเนี่ยนะหรือเหมือนกับการหยอดน้ามันในเพลาวกวีย เพื่อให้ไปถึงที่หมายปลายทางเท่านั้นเองอันการที่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะเพราะว่ากุศลเหล่านี้นี่แหละจะช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากวัฏทุกข์พั้นการบริโภคอาหารอาหารท่าบุคคลไม่รู้เขาไม่พิจารณาเขาให้เพียงพอแล้วนะสะัตว์ทางหลายที่ทำบาปกรรมเพราะเหตุแห่งปากทองมีมากจริงๆเพราะเหตุแห่งอาหารนั่นแหละ สัตว์ทางหลายจึงทําปานาตีบาทอทิตนาทานการเมสุมิช้าจานอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยนะบางคนเนี่ยโหบาปมากมายมหาศาลจึงจะได้อาหารถ้วยนั้นมาเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยถ้าบุคคลพิจารณาโดยรอบครอบแล้วพ้นจากทุกขได้แต่คนที่ไม่พิจารณาบาปเป็นไปกระยมอยู่ในวัตฏทุกข์นั่นแหละหนะที่เอามากล่าวก็ไม่ได้มุ่งประสงค์ภาพจิตตำหนิติเตียนผู้ที่รับประทานมังสวิรัต หรือยกย่องคนที่กินเนื้อกินปลา ก, ก็ไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นเพราะว่าค่าที่เป็นจริงของอาหารก็คือเพื่อดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เป็นต้นนั่นเองเนเพราะฉะนั้นเน้นข้อปฏิบัติตรงที่ว่าอาหารใดๆที่ได้มาอาชีพถูกต้องไหมที่ได้อาหารเป็นต้นเหล่านั้นมาเน้นโดยที่อาชีพอย่างหนึ่งแล้วก็เมื่อได้อาหารถูกต้องมาแล้ว พิจารณาแยกคลายไหมในเวลาบริโภคทําให้พิจารณาโดยแยกคลายก็มีโทษใจก็เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลอกุศลนั้นมันมีโทษไม่มีใครไปสาบไปแช่งรอกแต่ว่าสภาพจิตนี่นะพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าเหล็กนี่อะไรจะทําลายมันได้รู้ไหมเหล็กนี่อะไรจะทําลายเหล็กได้สนิมในในตัวเหล็กนั่นแหละทําลายได้ เราทั้งหลายไม่มีใครทำลายล้อเจตนาที่เป็นบาปนั่นแหละมันทำลายตัวของเราเพราะฉะนั้นคนที่ระวังใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลเขาจึงชื่อว่าระวังและรักษาสิ่งที่สูงสุดนี่แหละระวังรักษาสิ่งที่สูงสุดเพราะว่าคนที่สํารวมระวังด้วยกุศลธรรมรักษาจิตไม่ให้เป็นไปกับบาปอากุศลคนเหล่านั้นก็สามารถพ้นจากวัตถุทุกได้นะนี่ก็สามทุ่มเสร็จแล้วนะ ก็คงไว้ฟังวันหลังบ้างอะนะนั่งนานก็เมื่อยเพราะไม่ได้นั่งเก้าอี้กันพวกนัจะนั่งพับเพียบนานๆหลายๆลายชั่วโมงแล้วก็อาทิตย์เดียวก็ไข้ละเป็นไข้เส้นอะนะนเส้นที่ไม่ได้รัดเปลี่ยนอิริยาบถนะมันก็จะเป็นเหตุให้อ่าการผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่าเสมอเป็นเหตุแห่งความป่วยไข้ เพรเท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาเขามีงานปฏิบัติธรรมที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะโยมที่มานั่งฟังปฏิบัติธรรมรลล้อยๆวันเขานั่งพับเพียบไม่ค่อยผัดเปลี่ยนอิริยาบถกลับบ้านให้ป่วยกันร้ายคนด้วยกันนั่นนะบางคนเนี่ยโหเบาหวานเป็นต้นเนี่ยกำเริบเลยนั่นก็แสดงว่าโรค บ, บางอย่างเกิดจากการผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ําเสมอซึ่งโดยปกติวิสัยของเราไม่ได้นั่งนิ่งๆพับเพียบอยู่อย่างนี้เนาะ ก็ต้องมีการลุกการเดินการหยิบการฉวยเป็นต้นเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนกันไปอันพระองค์ตรัสว่าร่างกายนี้ก็เป็นสรีระยนต์มีจักสี่คือเรียบททั้งสี่มีทวารทั้ง9ก้าเนีย่ยนะต้องดู